มีมนเพื่อนภิกษุสมเณรทุกทุกคนครัตั้งใจฟังแล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกทุกคนตั้งใจฟังเพื่อจดจำนำเอาไปใช้หรือไปปฏิบัติประจำวันในชีวิตของเราการปฏิบัติธรรมะหรือการจเจริญธรรมะ มันเป็นสิ่งที่จำเป็นครับชีวิตของเราทุกๆคนครับวันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิบแล้วก็แรมสิบเอ็ดค่ำเดือนแปดที่เรามีโอกาสมีเวลาที่จะพูดวิธีปฏิบัติ มให้พวกเราได้ฟังได้เข้าใจตามตัวเองที่ได้ทามาโดยวิธีใดก็จะนำมาเราให้ฟังที่มันเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นั้นต้องคอยฟังแล้วก็ น, นำไปทดลองดูการปฏิบัติธรรมะ วิธีที่เรากําลังฝึกฝนอบรมอยู่ในขณะนี้นั้นมันทำให้เกิดปัญญาแต่ปัญญานั้นมันมีสองอย่างด้วยกันคือปัญญาสนิดหนึง่งทำแล้วมันรู้แจ้งเห็นจริงตามขวมเป็นจริงอันนั้นเรี่ว่าเป็นปัญญาของ วิปัสนารู้แจ้งเจริงตามผอมเป็นจริงแล้วปัญญาอีกสนิทหนึ่งนั้นรู้แล้วหลงลืมจดจําไม่ได้นั้นเรียเป็นปัญญาของอวิชาเป็นปัญญาของผอมไม่แน่นอนหรือเป็นปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมวิธีนี้จิงวะมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีมีทั้งดีมีทั้งผิดให้เราเข้าใจเสียอย่าหลงตนอย่าลืนตัวดังนั้นที่ทมนี้บางคนว่าไม่มีในตำราหามาทำนั่นก็จริงอยู่เช่นเดียวกันเพราะบุคคลผู้เช่นนั้น ยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้ประสบเกี่กับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้เรามีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่คือห น, น, นึ่งยืนสองเดินสามนั่งสี่นอนเรียกว่าอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เท่านั้นก็ยังบมไม่พอท่านยัสอนให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ ในอิเละบุ ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ท่านไวอย่างนั้นแต่เรามาทำเป็นจังหวะเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันระดับสติปัญญาทำเป็นจังหวะพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัว่วามือลงให้รู้สึกตัวยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลัง ให้รู้สึกตัวมีจังหวะทำเรียกว่าเรียบบุตรย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้สึกตัวแต่ไม่ให้นั่งนิ่งนิ่งวิธีนี้อันนัง่งนิ่งนิ่งนั่นเรียกว่าสงบความสงบก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันปัญญาเนี่ีว่ามีอยู่สองอย่างปัญญาที่รู้แล้วไม่หลงไม่ลืมอันปัญญาที่รู้แล้วหลงลืมไปบันทึกเอาไว้ด้ว ไม่ใส้เป็นปัญญาตัวรู้ไม่ใส้เป็นปัญญาตัวสัญญาได้ทำหน้าที่ของมันอันนั้นมันเป็นเป็นเป็นปัญญาโมหะหรือเป็นปัญญาของอวิธาดังนั้นเมื่อทำไปบางทีมันโ ง, ง่ง้วงล้วก็ต้องฝืนอย่าทำไปตามมาันให้รู้สึกตัว เอียงซ้ายเอียงขวาให้รู้อ้อมเงยให้รู้ให้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่ใหนน้นั่งนิ่งๆมันเป็นอย่างนี้เียกว่าทําให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวตัวนี้แหละเรียกว่าสมาธิอันสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นนั่นเองไม่ใช่สมาธิไปนั่งนิ่งๆอันนี้สมาธิคือความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวทําลงไปแล้วมันให้เกิดปัญญา ติดตามอาการเคลื่อนไหวนั่นแหละรู้ขึ้นมาภายในใจิตใจรู้ตัวเองคือรู้ลู่ลู่น้ำลู่นามมันอยู่นี่อยู่ที่ตัวเรานี่เองรูปทำนามทำรูปอันนี้เนี่ยทำการทํางานแล้วก็บพูดคิดก็เป็นรูปอันนี้นี่เองว่ารูปทำนามทำรูปโลกนามโลกรูปอันนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้อง จิตใจก็ไม่ค่อยสบายแต่ว่าโรคโรคน้าโรครูปโรคน้ําโรคนี่มีอสองอย่างด้วยกันรูปร่างเนื้อหนังนี้ไม่เป็นโรคหรือเป็นโรคถ้าเป็นโรคก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจเส้นร่างกายหมอที่โรงพยาบาลจะให้ยารักษาบางอย่างก็หายบางอย่างก็ไม่หายถึงกับตายก็มี โลกทางจิตใจแบบนี้หมอทางโรงพยาบาลรักษาไม่ได้จำเป็นต้องเสื้อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตัวเองให้รู้จักการเคลื่อนไหวนี่เองเมื่อรู้จักการเคลื่อนไหวคือสัญญาตัวนั้นแหละมันรู้จิตใจมันนึกมันคิดมันชอบใจไม่ชอบใจนียน้ยนี่อวิตจิญญาเป็นโลก รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เลยรู้ว่าทุกขังเพราะมันติดอยู่กับเนื้อกับหนังเอาออกไม่ได้เพราะมีการเคลื่อนไหวหยุ่การเคลื่อนไหวเมื่อใดก็เรียกว่าสิ้นลมหายใจเมื่อนั้นอันนี้จังคือมันไม่เที่ยงแท้ทาวรจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จะนั่งนิ้งนิ่งไม่ได้มันต้องมีการเคลื่อนไหว คิดตาบ้างหายใจบ้างจิตใจมันนึกมันคิดบ้างไม่เคยเห็นจิตใจตัวเองนึกคิดเลยอนัตตาบังคับบรรชาไม่ให้มันเคลื่อนไม่ให้มันไหวไม่ได้ไม่ให้มันคิดตามไม่ให้มันหายใจไม่ให้มันนึกมันคิดไม่ได้มันจึงเป็นไปตามหน้าที่ของมันเรียกว่าอนัตตาแห่งถามรู้จักอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาญาณรู้ แจ้งเป็จริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธสอนเอาไว้นั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้สมมติสมมติอะไรรู้ให้ครบให้จบให้ท่วสมมติบาปบุญผีเทวดานรกสวรรค์นิพพานคอตา่างหรือศาสนาพุทธศาสนาคอตา่างสิ่งที่สมมติขึ้นมานั้นให้รู้ หรืออัตราเงินทองเสื้อผ้าให้รู้มันมีจริงโดยสมมุติจริงโดยปรมัตดจริงโดยอัดจริงโดยอริยบุคคลจึงมีสมมุติแล้วก็บัญญัติขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายที่ว่าสมมุติบัญญัติปรมัตดบัญญัติปรมัตดจริงโดยสมมุติก็มีจริงโดยปรมัตดก็มีอัฐบัญญัติจริงโดยอัดก็มี อัตถะแปลว่าลึกลับซับซ้อนอธิยบัญญัติเมื่อเรารู้แจ้งเหจริงเรียกว่ารู้ตามแนวของพระเจ้าเรียกว่าอริยบัญญัติรู้อันนี้แล้วกว็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนาศาสนาเราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าแปลว่าคาสั่งสอนของท่านพุลุใครรู้เรื่องอะไรคนนำเรื่องนั้นมาสอนเยกว่าศาสนา ศาสนาจีนมีมากมีศาสนาขี่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาเทวดาหรือศาสนาอะไรก็ตามแหละเราเชื่อฟังตามตามกันมาแต่ศาสนานั้นสอนให้ละชั่วทำดีพุทธศาสนานั้นคือพุทธแปลว่าผู้รู้ทำเห็นทำเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน้วยธรรมรู้อยู่ในธรรมทำอยู่ในธรรม พูดอยู่ได้ทำคิดอยู่ได้ทำนี่ว่ารู้ทำเห็นทำเข้าใจอย่างนี้เรี๋ยวพุทธศาสนาปัญญาอันนี้ก็มีอยู่ในทุกคนรู้แล้วไม่ต้องหลงไม่ต้องหืงบาปก็คือมืดนั่นเองบาปก็คืองโง่นั่นเองใครพูดอะไรไม่รู้จริงเสื้อฟังคําพูดของคนนั้นของคนนี้ไม่ได้เสื้อตัวเองบุญมันเนี่ บุญก็คือไม่มีทุกข์เพราะลู่แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงใครจะพูดเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเรารู้ดีเห็นดีเข้าใจดีตามแนวคําสอนของพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าจบภาคต้นเรืยกว่ารู้เรื่องขันฆ่าลู่รู้เรื่องรูปอันนี้เป็นเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นยังไม่ได้พูดรู้อันนี้จบแล้ว เกิดตีติขึ้นมาหรือเกิดปัญญาของวิปัสสนูเกิดปัญญาของอามิชารูนั้นรูนี้ออกนอกตัวไปเลยไม่ได้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับความคิดเพราะความคิดมันลากไปเหมือนแมวกับหนูแมวตัวเล็กหนูตัวโตวแมวไม่เคยกลัวหนูหนูออกมาแมวมันจับ พอเด็หนูมันตื่นแมวจับมันก็วิ่งไปเลยแมวไม่ยอมวางหนูมันก็ติดหนูไปเหนื่อยแล้วมันก็วางบางครัง้งบางคราวมันก็ไม่คิดบางครัง้งบางคราวมันคิดคิดแล้วก็เข้าไปในความคิดอันนี้เรียกว่าเป็นอุปสรรคมันติดความคิดมันออกจากความคิดในได้ไม่ใช่เห็นคิดอะ น, นี่มันรู้คิดเรีย่าปัญญารู้คิด ไม่ใช่เป็นปัญญาเห็นคิดอันนี้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ตอนแก้ปัญหาตัวเองได้นั่นคือรู้เรื่องรูกนามลูกทำนามรรมลูกโลกนามโลกแล้วก็ลูบทุกขังลูอานิจจังลูอนัตตาลูสมมุติลูศาสนารูพุทธศาสนาลูบาปลูบุญลูอันนี้แก้ปัญหาตัวเองได้แต่ส่วนลูนอกตัวไปลูผีลูเทวดา รู้อันนั้นอันนี้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะมันเข้าไปในความคิดมันปุงแต่งขึ้นมานั้นเรียกว่าพอใจในอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ดีเราพอใจอารมณ์ไม่ดีเราไม่พอใจไม่ชอบเป็นอย่างนั้นวิธีที่จะแก้มันต้องทำจังหวะให้แรงทิศซ้ายทิศขวาทิศมือข้อมือ เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเลยทิสตาอ้าปากแก่ใจยังดูไม่ได้พอดีมันคิดขึ้นมาเราทําจังหวะกํามือแยกมือขึ้นมาหลายครั้งหลายหนเมื่อรู้สึกแล้วข่มคิดมันหยุดเมื่อรู้สึกแล้วข่มคิดมันหยุดเมื่อไม่รู้สึกหรือรู้สึกเล่น้อยข่มคิดมันลากไปจึงทําให้แหลกเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันหยุดได้ เมื่อมันหยุดควบคิดได้เราก็คิดดูว่ า, าพระพุทธสอนเรื่องทุกขโมทยัยนิโรธมรรคทุกต้องกําหนดรู้ท่านว่าอย่างนี้คือตัวเคลื่อนตัวไหวนั่นเนี่ยตัวอิเดียบทนั่นเนี่ยท่านสอนให้เรารู้มันเป็นตัวทุกขเรียกว่าทุกขังเรียกว่าทนไม่ไหวมันเคลื่อนไหวอยู่นะต้องดูมันให้มันรู้มันเป็นตัวทุกขมันเป็นสภาวะหรือสภาวะทุกขอนนี้จัง มันเป็นอยู่อนั้นถึงจะรู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าของแท้ของจริงเป็นของเดิมแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูุ้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสัลุมันก็มีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่เรียกว่าของจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันรู้ตามกฎของธรรมชาติของมันจริงๆ ใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ตัวของผมตัวของอาตมารู้อย่างนี้จึงจะพูดอย่างนี้เรียวยอมเสียสละทรัพเพราะรักษาอาวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพาะรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตเพาะรักษาของจริงไม่เสื้อใครเสื้อตัวเองเรียว่าพึ่งตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ ขั้นนี้แบบนี้เมื่อรู้คมคิดแล้วคมคิดมันถูกหยุดเมื่อหยุดคมคิดได้แล้วก็ดูผมคิดมันคิดมากว่ารู้แต่อย่าไปเพ่งกับผมคิดตอนนี้ให้ระวังให้ดีเพราะว่ามันอยากเกิดชี้เกียรบ้างขัดหยันบ้างชี้เกียรบ้างขัดยันบ้างเดี๋ยวก็ พอใจเดียวก็ไม่พอใจแต่เราต้องทำหัวหมู้สึกททำชาท้าแต่อย่าซ้าเกินไปถ้าซ้าเกินไปมันก็ไม่ได้มันเป็นเท่งถ้าไวเกินไปหรือเร็วเกินไปมันหลงมันลืมมันไปเท่งอยู่ความคิดไม่ให้จ้อความคิดทำสบายสบายมันคิดแล้วก็แล้ ว, ลวไปทำเอาเหมือนแมวกับหนูสมมุติเอาหนูอยู่ในรู เมื่อมันออกมาหายใจข้างนอกหรือมาหากินข้างนอกแมวคอยจ้องอยู่ปากหนูปากลูหนูแต่อย่าให้หนูเห็นพอดีหนูออกมาแมวมาจับป๊บอย่างแรงหนูซอกตายทันทีเพราะหนูมีกําลังเออเพราะแมวมีกําลังหนูไม่มีกําลังแมวมีกําลังอย่างเพราะรู้สึกควมรู้สึกเป็นอาหารของแมวควมไม่รู้สึกนั้นเป็นอาหารของหนูนี่ว่าหนู เปียกดังอวิชชาคอยลักลอบจอบออกมาพวมรู้สึกเป็นแมวไม่ต้องคอยสมมุติเอาให้เห็นคนสุดจริตจะไปไหนมาไหนไม่ต้องแอบเองใครจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เรียก่คนสุดจริตทําการทํางานพูดคิดไม่เป็นคนโกหกไม่เป็นคนหลอกลวงคนโกหกคนหลอกลวง คนหาจินทางทุจริตไม่อยากให้ใครเห็นแอบไปในที่มืดเหมือน ก, นกันกับหนูนั่นเองสมมุติหลายอย่างเราขุดน้ำบอ่อลงไปไปเจอเอาน้ามันเย็นพอดีน้ำมันเย็ น, นะนเราก็ขุดลงไปลึกๆเป็นหน้าที่เราจะตักตรมตักเลนออกไปเมื่อตักตมตักเลนออกไปน้านั้นจะใสสะอาดขึ้นมาเองเมื่อคนใด คุดลงไปแล้วเจอน้านําตักต้มตั ก, ต ก, ตกเลนออกเล็กๆในน้อยก็ออกมากินนะเพื่อว่าต้องการเหี้อันนี้ยังไม่บริสุทธิ์เหมือน ก, นกันกับที่เราเห็นขบคิดนั่นเองคิดแล้วมันหยุดบ้างไม่หยุดบ้างถ้าคนขยันตักออกตักออกจนมันหมดน้ําข้างในมันจะออกมาปูนปากบอ่อให้น้ํานั้นล้างตน้นล้า ง, างตมล้างเลนออก หลายครั้งหลายฝนน้ำก็ใสสะอาดเอามาดื่มมากินไม่เป็นโรคเป็นภยัยการเห็นความคิด ก, ก็เช่นเดียวกันยาไปติดปีติตาลาและครูบาอาจารย์กล่าวว่าปีติคือความอินใจยินดีพอใจรักใครในอารมณ์แต่เราไม่ต้องรักใครในอารมณ์พอเดมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บมาอยู่ความรู้สึก ความรู้สึกนี่หละทำหน้าที่ของมันจะรู้จะเห็นขึ้นมาโดยยานของปัญญาวิปัสนาญาไม่ใช่เป็นปัญญานึกคิดรู้เห็นเข้าใจวัตถุสิ่งที่มีอยู่ในโลกวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่เราว่ากันวัตถุแล้วก็รู้เห็นเข้าใจปราติรู้เห็นเข้าใจอากาศเพราะมีวัตถุปลว่า มันมีอยู่ปรามัดแล้วของจริงกําลังสัมผัสอยู่มีอยู่อาการความเปลี่ยนแปลงเพราะจิตใจมันนึกคิดมันก็เป็นวัตถุกําลังรู้กําลังเห็นก็เป็นปรามัดหรือมันสลายหายไปก็เป็นอาการเช่นต้นไม้ภูเขาห้วยหนองของบึงเสื้อผ้าทั้งหมดเลยเรารู้จักสมมุติอย่างนี้เลยเมื่อรู้จักอันนี้เข้าใจอันนี้ก็รู้เห็น เข้าใจสัมผัสโทสะโมหะโลภเมื่อโทตะโมหโะโลภโทกทำลายไปด้วยความรู้สึกด้วยปัญญายานเวทนาก็ามทุกข์สัญญาก็ามทุกข์สังขารก็ามทุกข์วิญญาณก็ไม่ทุ ก, ญญ ก, ทกขก์กญญกกอันนี้เนี่ยว่าขันสี่เมื่อรู้รูปนาเนี่ยว่าขันห้ารูขันห้ารูปขันเวทนาขัน สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันวิญญาณเตรวรู้อันนั้นรู้เบื้องต้นรู้ต่อมานี่ว่ารู้วัตถุเป็นรู้ขั้นที่สองตัวนี้เป็นปีติจึงไม่ให้พอใจในปีติรู้เมื่อเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกอันนี้เรียกว่รู้สี่แต่ไม่ใช่ตาเนื้อเห็นตาปัญญา เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นคนไทยก็มีคนจีนก็มีคนฝรั่งเศสก็มีคนอังกฤษก็มีคนอเมริกาก็มีคนคามนคนยวนคนลาวมีทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุ ก, ทกวัยเด็กผู้ใหญ่มีทั้งนั้นเด็กก็โกรธเป็นผู้ใหญ่ก็โกรธเป็นคนหนุม่มคนสาวก็โกรธเป็น คนเฒ่าคนแก่ก็โกรธเป็นพระสงองค์เจ้าก็โกรธเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศษคนอังกฤษคนเยอรมันทุกชาติทุกภาษ า, ก า, กาโกรธเป็นทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้คนรู้จักระ ง, งับดับทุกไม่ใช่ว่าไปสงบนิ่งไม่เด้นั้นแต่ความสงบมันเป็นผลอลได้คือสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะเพราะ ปัญญาญาณ ร, รู้แจ้งเห็นจริงวิปัสนาจิตรู้แจ้งเห็นจริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเมื่อรู้อันนี้แหละเข้าใจอันนี้แหละรับรองรับประกันคําพูดของตัวเองรับรองรับประกันวิธีพูดวิธีสอนวิธีธรรมใครจะพูดยังไงก็ถูกของคนนั้นคนนี้เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติรู้จะมีในตําราก็ได้ไม่มีในตําราก็ได้เพราะ พระพุทธเจ้านิพพานพอได้ตายไปก็ได้หรือสวรรค์นั่นเขก็ได้ไปหลายร้อยปีที่ครูบาอาจารย์เราให้ฟังพระพุทธเจ้าตายไปแล้วสังคัญนาคครั้งที่ห้าสี่ร้อยห้าสิบปีจึงได้สังคัญนากันขึ้นบันทึกเอาไว้เพื่อไม่มีคนจดจำจะลงจะลืมว่าอนสี่ร้อยห้าสิบปีใครจะจดจำได้สมมุติเอาพอเราสอนเรา แม่เราสอนเราเกิดขึ้นมาในระยะสิบปียี่สิบปีถามและจักใจความพ่อแม่สอนไม่ได้อันนี้พระพุทธตายไปแล้วสี่ร้อยห้าสิบปีคิดระยะส่วคนมีกี่ส่วค น, วคนแล้วกับพระองค์ได้ตัดไวในหนังสือกลามสูตรบอกว่าในหนังสือกลามสูตรบอกว่าอย่าเสือถือ สิบพ่อโดยเขาพูดตามกันมายาเชื่อถือเห็นว่าเขาเล่าลือกันมายาเชื่อถือโดยเห็นว่าเขาทาตามกันมายาเชื่อถือโดยเห็นว่ามีอยู่ในตำรายาเชื่อถือว่าบุคคลที่พูดที่สอนน่าเชื่อถือหลายข้อสิบข้อเพราะพระองค์ไม่ให้เสือไข่ ให้เสื้อในการกระทาของเราเมื่อทำอย่างนี้เลยไม่นานนิดเดียวเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจกิเลสกันหาอุปาทานขึ้นมากิเลสที่เป็นยางเหนียวมันไม่อยักหลุดมันไม่อยักหล่นมันติดอยู่กับอารมณ์กันหาคือความอ ย, า, มอยากมายักรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอุปาทานยึดถือความรู้ รวมเข้าใจว่ามีตัวมีต้นกรรมเป็นผลถอยได้คือทุกถ้าเรายึดมันก็ทุกถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ทุกอันนี้แหละที่มีในตำราปฐมมาถานทุกติญญาศาสรจัตติญญาศาสตร์จัตุตตาศตปัจจามาตานปฐมมัทานมีองค์สามองค์สอง 4, องค์สี่องค์ห้า 5, อะไรพูดกันหลายเรื่องนั่นมันเป็นตำรามันดีแล้วตำราแต่เรา ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจเมื่อ ร, รู้เห็นสิ่งเหล่านี้กิเลสสมมุติเอาเหมือนกับยางมะขนมมันติดเมื่อติดอย่างเราเอาน้ํามันก๊าดหรือน้ำมันดิบตินน้นํามันอะไรก็ตามล้างมันคายไปคนเดียวมันฟูมเหนียวมันจะจางไปหรือเหมือนกับปิงที่ผมเคยพูดเคย คุยกับเพื่อนปิงมาจับเนื้อแล้วมันดูดกินเลือดเราเอายากับปูนไปซุกน้ําบีบเอาน้ํายากับน้ําปูนให้ลาดเนื้อเราลงไปถูกปิงปิงมันตัวเพราะเป็นยาพิษ ก, กับตัวมันตัวสัญญาตัวรู้ตัวนี้ก็เช็ดเดือดกักับตัวที่มันกลมลูกของอวิชานมันไม่รู้เมื่อตัวสัญญาตัวนี้ได้ทําหน้าที่ของมันแล้วมันหล่นเองปิงเรานําเอาน้ํายากับน้ําปูน ล, ลาดปิง ติณก็หดแข็งตัวเขาตายดังนั้นกิเลสนั้นจึงไม่มีเหนียวขึ้นมาตัณหาความอยากก็ลดน้อยอุปาทานก็ไม่ยึดในสูคําเดียวกันนี่แหละมันเป็นผลถอยได้คือกรรมหรือวิบากมันก็ไม่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้เลยไปตรงออกกับติณเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิเป็นเครื่องกํจาจัดกิเลสอย่า ง, างากกยาว ปัญญาเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างละเอียดท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นแต่เราไปเรียนตาลานั้นรู้แต่มันยังไม่เข้าใจวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ทำให้เกิดปัญญาใครจะพูดจะว่ายังไงก็เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ไม่ใช่เรื่องของเรามันตัดปัญหาไปได้อย่างนี้เพราะตัวเองเป็นคนรู้ตัวเองเป็นคนทำผลก็ตัวเองได้รับเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า อคาตาโลตถาคตาถ้าตถาคตเป็น เ, เพียงผู้แน่แนวเท่านั้นการประพฤติปฏิบัติด้วยการกระทั่นั้นเป็นหน้าที่ของเธอท่านสอนอย่างนั้นอีกบทหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าสัต์ทั้งหลายคือเราตถาคตคืออะไรสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนอะไรสัตทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นอะไร เราไม่ค่อยรู้เมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้มันรู้เข้าใจความหมายในพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้จึงว่าคือกันกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเรีย๋ยวสาวกุธที่เราเคยพูดเคยสอนกันไปสวนปริตะมงคลในบ้านว่ามันเป็นสิริมงคลวะ ผู้ตัดสลูตตามพระพุทธเจ้านั้นมีศีลและทิฏฐิเสมอกันอันนี้เรียกว่าผู้รู้ตามเห็นตามเป็นสาวกพุทะท่านว่าอย่างไรผู้ตัดสรุตตามพระพุทธเจ้ามีศีลมีเหมือนกันมีทิฏฐิมีเหมือนกันมีความเห็นมีเหมือนกันแปลว่าตันเตศสักษะเตทยัทิฏฐิมูลตุด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งไตรสนะสนะ อวิชชาชนะความหลงผิดใช่ไหมมีไสยชนะดังนั้นข้อที่สี่ท่านว่าทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้รู้อะไรเห็นอะไรเป็นอะไรมีอะไร เมื่อกับพระดัชนีเราก็ต้องเข้าใจเพราะตัวสัญญาได้ทำหน้าที่ของมันเมื่อสินปรากฏเกิดขึ้นแล้วสินไม่ใช่สินห้าสินแปดสิน 10, สิน 7, สินสองร้อยี่สิบเจสินสามร้อยไม่ใช่อย่างนั้นศิลคือปกติกายปกติวาจาปกติใจเมื่อปกติกายปกติวาจาปกติใจแล้วมีสิ่งที่มาสัมผัส เนื้อหนังเราเรียกว่ารูปบัตนี้มีสิ่งที่สัมผัสขึ้นภายในจิตใจดียวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปเป็นนามเป็นนามรูปรูปนามคือลูกรูปนี้เป็นรูปแต่มองเห็นนามมองไม่เห็นเมื่อมีปัญญาตาใจเลื่อตาทิพย์สวัดเวทนาเป็นรูปสัญญาเป็นรูปสังขารเป็นรูกวิญญาณเป็นลูก เวทนาก็เป็นนามสัญญาก็เป็นนามสังขารก็เป็นนามวิญญาณก็เป็นนามที่ว่ญญานามลูปอันนี้ลักษณะนิตกอยู่ในปราะมะแล้วก็รู้จากสินสินเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาเพราะโทสะโมหะโลภถูททาลายไปแล้วจางไปแล้กกิเลสตัณหาอุปทานจางคายไปแล้ว สิ้นจึงปรากฏเมื่อสิ้นปรากฏขึ้นมาแล้วเรียกว่ากันทําลายกิเลสอย่างยนาก็ต้องรู้เกี่ยวกบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางคืออารมณ์เราดีใจเสียใจชอบคมสงบอย่างนั้นอย่างนี้สงบแบบไม่รู้เรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสงบแบบปัญญาเห็นแจ้งลูกจริงคนจึงชอบนั่งความสงบ แต่ไม่เข้าใจว่าความสงบนั้นมันเป็นผลถอยได้เพราะปัญญาไม่ใช่สงบนั่งเงียบๆตัวของผมตัวของอาตมาพูดนี่อาตมากล้าพูดและกล้าท้าทายได้เพราะตัวเองได้ทำพุนโทมาบ้างสัมมา阿ะหังมาบ้างนับหนึ่งสองสามดูลมหายใจอันนี้เคยได้ทามาพอสมควรแต่มันได้รับความสงบนั่งไปแล้ว หลงหลงต้นลมไปลงไปติดคมสงบกานึกว่าตัวเองสงบจริงๆอ น, นั้นสงบแบบไม่รู้เหมือนกับอยู่ในทําจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่มีฝ่ายหกบ่อสกเถวเจ็บวิธีสงบแบบนั้นเดียววิธีสงบแบบสมถกรรมาฐานเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจทันวันอย่างนั้นแต่มันก็จริงในตำนาน อันนี้เหละที่มันเป็นอุปสรรคต่อตัวของผมตัวของอาตมาเองนี่ว่าใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้จึงไม่ให้ติจข่มสงบไม่ให้ติดปีติอันนี้เนี่ ว, ว่าวิปัสสนูปักิเลศหรือปีติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมให้ทำข่มรู้สึกอยู่เสมอมันคิดให้รู้มันไม่คิดก่อให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวเมื่อทําอย่างนี้รู้ เรื่องสมถะเรื่องคมสงบมันไปคนละเรื่องกันไม่ได้ไปเรื่องเดียวกันแต่มันก็ไปเรื่องเดียวกันมาได้แต่มันไม่ได้เรื่องเดียวกันดังนั้นสมถะกรรมฐานนั้นจือสงบแบกไม่รู้ Television. รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างกูรู้ฟังแล้วเข้าใจคนมีปัญญาระดับปัญญาของคนไม่เหมือนกันรู้อย่างไม่รู้นั้นเดี๋ยรู้แบกสงบรู้แบกสมถะกรรม รู้แล้วเอามาวิภาควิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นเป็นการนึกคิดเท่าเองไม่ใช่เป็นญาณของปัญญาวิปัสนาจึงมีญาณเห็นแจ้งรู้จริงเมื่อเห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็เหมือนกับที่เคยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าเอาดาบตัดผมขาดออกไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันขาดเป็นจุยไปเลยทีเดียวนี่ว่าเรา ได้กระแตหรือได้ต้นทางเดินตามไปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจเพราะเรารู้ตามเห็นตามจึ่งว่าผู้ตัศลูตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันทันเตสกสะเตสะยาทิฏฐิโหตุด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งไสสนาะสนะได้จริงๆเรื่องนี้รับรองได้ในตําราบอกว่า ผู้ที่จเจริญสติประธานสี่ให้ถูกต้องติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเ็ดปีอย่างกลางเก็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอนิสงส์สองะการทันวันอย่างนั้นหนึ่งอานิสงส์ของมันเป็นพระระหันในปัจจุบันคบนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระรหันในปัจจุบันคบนี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามี แน่นอนที่สุดท่านว่าอย่างนั้นแต่สำหรับตัวของผมตัวจะมาพูดนี้ไม่ต้องนึกถึงว่าพระโสดาพระสัตย์พ า, าพาพานาคาพระละหันไม่ต้องพูดถึงถ้าทำอย่างนี้นะ่ะวิธีที่ทำนะ่ะพิกมือขึ้นให้รู้สึกคว้มือลงให้รู้สึกยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเลย ทิพตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวความนึกความคิดมันเกิดขึ้นหมายรู้สึกตัวอย่างนี้ลับลองได้ไม่เกินสามปีอย่างนานหนึ่งปีอย่างกลางเก้าสิบวันนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานี้สงไม่ต้องพูดความทุกข์ประเภทที่สงสัยตายแล้วเกิดตายแล้วไปตกนรกตายแล้วไปขึ้นสวรรค์ สิ่งทุกสิ่งที่มันมีปัญหาขัดแย้งอยู่ในตัวของเหล่านี้จะถูกทําลายไปพุกน่าจะลดน้อยไปคนที่มีปัญญาสามารถที่จะทําให้หมดได้อันนี้เรียยวเป็นปัญญาของวิปสัสสนาถ้าผิดไปจากนี้เรีย่ยวเป็นปัญญาของวิปลาสทันว่าอยันนีน้ตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญ ปัญญาการจัดกิเลสอย่างละเอียดแล้วเข้าขั้นนี้แล้วบัด น, นี้มันต้องรู้ไปตามขั้นตอนที่ตำนาท่านสอนเอาไว้เลือกปฐมมาสานทุติยาการจตญยาการจตุทาสานปัญจมาสานมันเข้ามาลูกนี้ไม่ได้ไปเรียนตำนานหรือกทรงจํามาอันนั้นถูกแล้วมันเป็นเปลือกเป็นกะทิเหมือนกับข้าวเปลือกนั่นเอง เราจะกินข้าวเปือกมันไม่ได้ต้องเอาข้าวเปือกนั่นแหละไปเข้าในโรงสีโรงสีจะผัดเป็นข้าวสารออกมาผัดเป็นข้าวสารออกมาแล้วก็มาต้มมาหูให้เป็นข้าวสุกเอามาต้มมาหูมานึ่งสุกแล้วกินไม่เป็นพิษถ้ากินข้าวเปือกมันเป็นพิษข้าวเม็ดดีไปสีเป็นข้าวที่หนึ่งข้าวเม็ดไม่อ้วนไม่เต็มขักเครื่องขักต่างออกมาเป็นข้าวที่สอง ข้าวหอมเป็นข้าวที่สามข้าวไม่มีไนสีออกมาเป็นข้าวรีบไม่มีไนคนที่ทําจริงพูดจริงก็เช่นเดียวกันทําไม่จริงพูดไม่จริงก็เป็นข้าวรีบก็ได้เป็นข้าวหอมก็ได้เป็นข้าวอ้วนไม่พอก็ได้ถ้าคนผู้จริงทําจริงมีใจหนักแน่นทาตามแบบพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเป็นข้าวอ้วนข้าวเต็มสีออกมาเป็นข้าวที่หนึ่ง ขายก็ราคาดีเอามากินก็มีรถดีอันนี้เรียกเป็นปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดเมื่อทําไปมันเกิดยานปัญญาลู่แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแต่เคยพูดให้ฟังมาหลายครั้งหลายหนเรื่องอารมณ์เรื่องปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดนี้ตามตาหลักตําราท่านว่าพูดกันลัเรื่องอาการเกิดดับนี้เอง อาการเกิดดับตัวนี้วะคนเกิดมารอยปีถ้าหากยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสกับเรื่องสภาพดุภาวะชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละไม่รู้จักชีวิตจะไปไหนมาไหนมันคิดอะไรไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจคนผู้นั้นเกิดมา้อยวันพันปีไม่รู้จักสภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้ ชีวิตบุคคลนั้นเป็นหมันเป็นโมฆะเพราะมันมีความทุกข์เกิดมาอยู่ด้วยทุกขกินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์ไปมาด้วยทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรทันไรแบบนี้บุบคคลเกิดมาเทียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นสภาพรือสภาวะอาการเกิดดับของชีวิตนั้นไม่ได้อยู่กับความทุกข์ไม่ได้ไปด้วยทุกข์เรียกว่าทุกข์ ปัญหาต่างๆหมดไปเดี่ยวปัญญากาจัดกิระจายเยอะบุคคลผู้เช่นนี้นะเกิดมาเพียงวันเดียวชีวิตมีค่ามีราคามีประโยชน์ต่วบุคคลที่เกิดมาร้อยวันพันปีพันวันย่างนั้นอันคนเกิดมาวันเดียวนั้นทําอะไรไม่ได้อันที่เราฟังเทศฟังธรรมจากปตัตตะบุรุษบุคคลที่รู้นั่นแหละเกิดมีความทราบซึ้งเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติทานนั่นแหละเกิดมาวันเดียว และอีกบทหนึ่งท่านว่าคนผู้ที่บวชม า, 100, าร้อยพันศาร้อยพันศานะอานิสงของการบวชนั้นถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสสภาพหรือสภาวะเรื่องชีวิต จ, จิตใจอาการเกิดดับนี้อานิสงคุณค่าของการบวชของคนนั้นไม่มีประโยชน์ ไม่คุ้มค่าในการบมดเลยชีวิตของคนนั้นก็เป็นเหมือนเป็นโมฆะใช้ประโยชน์ไม่ได้ท่านอกโมฆะบุรุษทันวันใช้ไม่ได้ท่านบอกถ้าหากจะพูดกับตัวหนังสือที่เคยได้อา่านครบาอาจารย์เคยสอนว่าดาบหมกในทีวรอนทิกสุลามกสันดานนกกาหมาที่เลือนงงูเปื่อนที่ลูกนอกคอคุยนอกบันที ตาซาผีดิดน้ำติกาลาล่างเท้าไม่ใช่ผลของเราพิษสูแก้คนแรกแนวโมฆะบุรุษไส้ไม่ได้เนี่ยท่านว่าอย่างนั้นว่าอยากเป็นเข้าถอมเข้าแห้งอย่ากเป็นเข้ารีบให้เป็นข้าบมีในใันวหบุคคลที่บวชมาเทียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจทราบซึ่งสภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้แหละ ชีวิตบุคคล น, นั้นมีค่ามีราคามากกว่าบุคคลผู้ที่บวชมาร้อยพรรษาท่านว่าอย่างไ น, นดังนั้นปัญญาจึงกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเมื่อปัญญาถูกกำจัดกิเลสอย่างละเอียดอันนี้แล้วมันจะมีความโภมใจพอใจเพราะสมมุติเอาผมเคยพูดเคยกล่าวเรื่อยๆเราไปอุ้มเด็กเด็กน้อยเด็กผารก เราเอามือไปแตะกับโคกงอ้นมั น, มนขาวทันทีแต่ เ, เนื้อเด็กน้อยมันแดงพอดีแล้วเอามือไปแตะมันจืดจางเข้าทันทีเลยมันเป็นอย่างไงพอดีเราเอามือออกมากระแดงเข้าไปหนึกเปรียบอีกอย่างหนึง่งเหมือนกับที่เรามี้วพาหรือดถูกเนื้อเรามันขาดเลือดมันพุ่งออกมาที่ปากบาดอันนี้พอดีถูกมีดพาเนื้อหนังเราถูกแล้วตัดเข้าไป เลือดมันจะตับคืนทั้งหมดเลยมันจะไม่มาออกปากบายอันนี้แหละเพรมันขาดออกจากกันไม่มีทางที่จะติดต่อกันได้อีกหลายครั้งหลายหนเคยพูดให้ฟังเรามีเสื้อในลอนไปพูกต้นนั้นะเสานั้นหนึ่งต้นเอาไปพูกเอาต้นนี้ไปพูกเสานนหนึ่งตัดตรงกลางเลยดึงตึงตึ ง, งตัดตรงกลางเสื้อนั้นมันจะ ดึงไปติดกับเสาต้นนั้นต้นทางนั้นทางนี้ก็จะมาติดกับเสาต้นทางนีน้ดึงเข้าหากันไม่ถึงอยอันนี้แหละที่มันขาดออกจากกันมันมีประโยชน์คุณค่ามากที่สุดการทำความรู้สึกตัวนี่อันนี้สงมันมากติดการตยอดรู้อย่างผู้รู้รู้อย่างผู้ไม่รู้มันรู้อย่างนี้รู้แล้วไม่สงสัยไม่คลองแว่ สิ่งที่ขัดแดงในใจไม่มีสิ่งที่ขัดขวางเป็นอุปสรรคขึ้นไม่มีเพราะไม่มีทุกเรียกว่าอยู่เหนือทุกยินเหนือทุกนั่งนอนเหนือทุกไปมาเหนือทุกท่วมทุกจึงสามไม่ทันสมมุติแต่ก่อนเราอยู่ป่าดงลึกๆมีสัตว์หลายมีเสือ มีตะขาบแม่งของมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ในนั้นเราไม่เห็นเราก็สงบ อ, อ, อยู่ได้เมื่อเราเห็นก็กลัวขึ้นมาเนี่ยหาเครื่องกันเครื่องแก้วว้อยู่ใงนั้นอันนี้เราหนีไปจากลงที่ลึกนึกข้ามไปสมมติว่ามีคลองน้ําหรือมีอะไรแล้วก็หาวิธีว่ายข้ามไปข้างโน้นเมื่อเราข้ามไปข้างโน้นสัตว์ร้ายมันตามายตามเราไปไม่ได้ เราก็พ้นภทยจากอันตรายเหล่านั้นอันตรายจะตามเราไม่ได้อันนี้เนี่ยปัญญากรรจัดกิเลสอย่างลเอดเมื่อเราพ้นภทยจากอันตรายเหล่านั้นเราจะทูมใจยินดีในความรู้ความเห็นความเป็นความมีของเราเพราะเราคนไทยเราเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นอย่างนี้เพราะมันกลับคืนไปหมดแล้วยาติดดีอย่างนั้น ให้เรามามองดูสภาพเมื่อมัเป็นอะไรติดต่อกันมาเหมือนกับเราเดินทางมองดูมีหินมีต่อไม้เรื่อมีอะไรต่างๆคอยสดุเราต้องดูแลกับไปกลับมาทวนอารมณ์มาตั้งแต่อารมณ์รูปนามูหนหะอยากไปติดผมสุขเมื่อเราระทวนลมอารมณ์รูปนามรูป ทำน้ำทำลโลกโลกน้ำโลกจนให้มันถึงว่าบากบุญภาคต้นกาให้รู้จักภาคที่สองเรื่องวัตถุปรมัติบอ ก, กให้รู้จักโทสะโมหะเวทนาเหล่านี้ให้รู้จักแล้วก็ภาคต่อมากิเลสตัณหาอุปาทานก็ให้รู้จักเห็นชัดอยู่อย่างนั้นแล้วก็เห็นปรากฏขึ้นมาสมถกรรมฐานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้รู้จัก ความสงบอย่างนั้นไม่รู้ความสงบอย่างนี้รู้ให้รู้จักแล้วโวกกิเลส อ, อย่างละเอียดเทมันเข้ามาวิธีใดเราทําออกวิธีใดเราจะข้ามมาซักนี้ได้ให้รู้จักจอันนี้เรียกเป็นปัญญาของวิปัสสนาแท้ไม่หวนกลับคืนทุกจิตติดตามไม่ได้ถ้าหากไม่เป็นยานํามันจะไปติดเอาความรู้ความพอใจวิปลาสอยากไปติด ที่อาตมาได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเสืนสจิตสติใจพวกท่านทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรถึงเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมานั่งฟังธรรมะอยู่นอสสถานที่นี้อาตมาขออ้างอีเอาคุณขอ ง, งพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตั้สอนของ